กิติและโสมนัสของเขาอะนะในของเราก็เลื่อมสายยังไงเราก็ทําไปแต่ทีนี้ว่าเอวิธีวัดว่าเราเป็นนาบุญมากอนาบุญน้อยก็วัดดังที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเอถ้าให้กับทุศีลเป็นอย่างนี้นะถ้าให้กับคนมีศีนเป็นอย่างนี้ให้คนแต่เอได้ฌานอภิญญาเป็นอย่างนี้ให้คนที่ ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งต้นต้นเนี่ยเป็นเช่นนี้เช่นนี้แล้วก็มามาวิเคราับพิจารณาเอาว่าอะไรที่เราพอจะทําได้อะไรที่เราควรจะทําที่เราจะไปเนี่ยชื่อว่าเมืองสาวธีเี่ยเป็นเมืองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองประทับจำพรรษาเฉยเนี่ยเท่าไหร่ 25, 25พ่พรรษาแล้วก็เป็นเมืองที่จาริกถือเป็นเมืองหลักเอาเนี่ถือเอาเป็นแกนกลางของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ถา่าวมาพ่ายใจเพราะว่าอักษรอุปถัม์ใหญ่ๆอยู่ที่นั่นสองท่านคือนาถบินทิกาเศรษฐีและนางวิสาขาความที่พระองค์ประทับณนะอยู่ที่เมืองสาวัตถีมากก็นึกถึงอุปการะของอุบาสกกับอุบาสิกาคู่นี้ว่ า, เ, าเป็นผู้ที่มีอุปการะต่อพระภิกษุมาก ต, ต, ต่อบ่คคลบริษัททั้ง4ี่เนี่ยนะถ้าหากว่าพราะองค์คือเอาที่อื่นเป็นศูนย์กลางเนี่ยในการที่จะใช้ปัจจัยสีมันคงไม่พอ เนี่ยนะถ้าหากว่าเพราะว่าที่สูเนี่ยวันละหมื่นรูปเนี่ยถามว่าเลี้ยงพระวันละหมื่นรูปเนี่ยจะต้องใช้อาหารเท่าไหร่จะต้องใช้อะไรเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าหากว่าไปอยู่ที่อื่นไปอยู่เมืองอื่นมันก็ไม่เลี้ยงไม่พออยู่แล้วเนี่ยถึงอาจจะส ป, ปา r ะแต่ว่าในสําหรับคนจํานวนน้อยอย่างนาวิสาขานเนี่ยเลี้ยงพระกปกติประจําวันเลยเนี่ยอย่างน้อยวันละ500รอรูปที่บ้านเนี่ยนะที่บ้านเนี่ยวันละ500รูปอน า, าถาก็เหมือนกันก็พันรูป ก็ผ่านละแล้วก็มีชาวบ้านที่เป็นพระอาริยะสาวกท่านเหล่านั้นก็บํารุงพระพุทธสัมมเนยเปต้นเลยนะเพราะในเมืองนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์กลางของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเมืองสาวกทีนั้นเป็นพระเจ้าเปรตที่กโกศลเนี่ยปกครองแบบมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวะนะเสร็จอ่าอำนาจของพระเจ้าเปรตที่กโกศลเนี่ยคลุมไปถึงเมืองพาราณสี เพราะฉะนั้นแควนกาสีนี่ขึ้นตรงต่อพระเจ้าเปรตที่โกศลกบิลพั์นี่ถือว่าเป็นเมืองขึ้นนะเป็นเมืองขึ้นก็ปกครองเองแต่ว่าจะต้องส่งสวยให้พระเจ้าเปรตที่โกศลขั้นตอนที่พระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยขอลูกสาวสักยะเนี่ยสักยะต้องให้อ่ะกล่อมกลืนสนใจให้โดยที่ไปเลือกเอาลูกทาสคือพระนางวาสภาคัตยามาให้ะนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งเรื่องจะใหญ่มาก มันะจะมเมืองนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลเยนะทีนี้ในบรรดามเมืองเนี่ยโดยเฉพาะวัดพระเชตวันเนี่ยก็มีทั้งพิสูุมีทั้งพิษุณีอยู่มากมายทีนี้ถ้าพิสูภิษุณีอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอยู่ด้วยกันเกี่ยวข้องกันก็เกิดการคลุกคลีกัน เกิดการพูดคุยกันเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขราแบ่งพวกเนี่ยนะอย่างเช่นสมัยนั้นท่านพระโมริยะพักคุณะคลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินขอบเขตนะท่านพระโมริยะพักคุณะคลุกคลีอยู่กับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เนี่ยถ้าภิกษุรูปไรติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อท่านพระโมริยะเอ่อตอหน้าท่านพระโมริยะพักคุณะท่านก็จะโกรธขัดใจก็ทําให้เป็นเรื่องเป็นราวลามเลยว่างั้นเนี่ยพราะว่าตีพวกฉันไม่ได้ นัละติพิษุณีพวกฉันไม่ได้ติแล้วก็โหเอาเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์อธิกรณ์ก็คือเกิดเรื่องราวเรื่องเรื่องราวเลยเหมือนขึ้นโรงขึ้นศาลเลยทีนี้ถ้าหากว่าพิสูรุบไร่ไๆเนี่ย ต, ติเตียนท่านพระโมริยะพักคุณะต่อหน้าภิษุนีเหล่านั้นพิษุนีเหล่านั้นก็โกรธขัดใจกระทําให้ถึงเป็นอธิกรณ์ก็มีอะไรก็สรกวุ่นวายมากเลยนะตอนนั้นของคณะเรายังไม่มีไงยังเนาะ สงบเรียบร้อยดีแต่เล่าให้ฟังไว้ก่อนท่านพระโมริยะพกคุณะคลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถาวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กระททูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญท่านพระโมริยะพคุณนะนี้คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินขอบเขต ท่านพระโมริยะภคุณะคลุกคลีกับภิกษุณีเช่นนี้ที่สูรายไรติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านพระโมริยะภคุณะท่านก็จะโกรธขัดใจถึงแต่ทําให้เป็นอภิกรก็มีอันหนึ่งท่าภิกษุรูปยไรติเตียนพระท่านโมริยะภคุณะต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็โกรธขัดใจก็ทําให้เป็นอภิกรก็มีท่านพระโมท่านพระโมริยะภคุณะคลุกคลีกับพวกภิกษุณีเช่นนี้ ครังนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกพิสุรูปหนึ่งมารับสั่งว่ามานี่พิสุเธอจองไปบอกโมริยะพักคุณะภิกษุตามคําของเรานะพระพุทธเจ้าก็เรียกเข้าเฝ้าเลยเว่าพระศาสดารับสั่งให้หาท่านพิสุหลานั้นก็ไปเรียนบอกอไปบอกพระโมริยะพระโมริยะก็เข้ามาเฝ้าเมื่อพระโมะริยะเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามว่า เธอเนี่ยอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยเช่นกับที่กล่าวจริงหรือเปล่าอ่านะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายจริงหรือเปล่าท่านพระโมริยพระพักคุณะนะก็ทูลเราว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้านั้นมีบุญชนิดที่เรียกว่าถ้าพองถามนะักคนนั้นจะต้องตอบตรงประเด็นบิดเบือนไม่ได้โดยเด็ดขาดท่านนิ่งยักจะมาตีหัวไม่ตอบยักษ์จะตีนะแล้วบิดเบือนก็ไม่ได้พูดแต่คําจริงโดยส่วนเดียวว่างั้นอนะ่ะ ด้วยเดชบุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้ปองก็ถามเห็นไหมก็ว่าเมื่อเมื่อเรื่องวุ่นวายแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยปองก็ถามมาภคุณะเธอเป็นกุระบุตรออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาไม่ใช่หรือไอตอนแรกเข้ามาบวชนี่ไม่ได้บวชมาจะมาหาภักาพวกไม่ได้บวชจะมาทะเลาะแต่บวช ด, ด้วยศรัทธาบวช ด, ด้วยปราถนาอรหัตผลไม่ใช่หรือที่เธอมาบวชอะ่ะเห็นไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ ก็ครว่าเจตนารมเดิมที่มาบวชนี้ตั้งไว้ดีมากเลยใช่ไหมแต่พอมาตอนหลังเนี่ยอะไรวิบัติโยคข้าวิบัติโยข้าวิบัติตและอะไรอีกอาสยวิบัติก็เลยทำให้เสียหายถ้าผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าภคุณะอันที่เธออยู่คลุกคลีกับพวกพิสุนีจนเกินขอบเขตไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นคลบตรออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาเลย ไม่ดีเลยนะขนาดเดือด้วยศรัทธาแล้วยังคลุกคีกันอีกพักคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าแม้ภิกษุรูปไรติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอในข้อนั้นเธอพึงละความพอใจและวิตกอนอาศัยเรือนเสียเนยถ้าเขาเขาต่อว่าภิกษุณีอ่ะนะทำไมเธอต้องไปเดือดร้อนกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นตัดความเร่าร้อนในเรื่องนั้นซะตัดความในความฟุ้งซ่านความ พอใจตัดวิตกอาศัยเรือนนะนะก็คือละอะไรละความชอบใจอันอาศัยเรือนซะแม้ในข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปลวนและเราจะไม่เปล่งวาจาที่ชั่วจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์จากเป็นผู้มีจิตมีเมตตาจิตไม่มีโทสะภายในเธอพึงทาความศึกษาอย่างนี้แลนั่นนะถ้าหากว่า เขาเามาด่าพรรคพวกของเราอ่ะนะเราเองก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียอกเสียใจไปเดือดร้อนด้วยด้วยอำนาจฉันทราคาอาศัยเรื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ไปติดข้องกับผู้ใดด้วยอำนาจฉันทราคาเนี่ยนะด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเนี่ยถ้าหากว่าคนอื่นเขาตำหนิบุคคลนั้นต่อหน้าเราเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจแต่เนื่องจากว่าเราไปอะไรนะ ไปเพลิดเพลินกับบุคคลอื่นด้วยอำนาจชันนราคะด้วยอำนาจตันหาเนี่ยถ้าหากว่าคนอื่นมาตำหนิคนที่เราพอใจเราชอบไหมไม่ชอบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่านะบางคนเนี่ยรักรูปมากถึงขนาดคนอื่นตำหนิลูกตัวเองต่อหน้าตัวเองไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคล้ายกับลักษณะนั้นให้ตัดฉันนราคาแบบนั้นซะเพราะฉะนั้นจิตก็จะไม่แปรปลวนจะไม่เปล่งวาจาที่เป็นวาจาชั่ว จากอนุเคราะห์คือกรุณาด้วยประโยชน์อยู่จากเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะภายในเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลลนะในกลุ่มในกลุ่มปริมาณประชาชนคนหมู่มากนะการอยู่ร่วมกันตามครบคลีกันมันก็มีขึ้นเมื่อมีขึ้นก็เกิดความพอใจกันเมื่อเกิดการพอใจท่านอีกคนหนึ่งไปว่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งว่าอีกคนหนึ่งความเป็นกกเป็นเหลาก็จะเริ่มมีขึ้น เมื่อมีก๊กมีเหล่าขึ้นก็จะเกิดการแตกแยกขึ้นว่าพวกเขาพวกเราถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่พอใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวลูกลามใหญ่โตเพราะฉะนั้นไม่สมควรเป็นอย่างนี้เลยพักคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าใครใครประหารภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตวาต่อหน้าเธอแม้ในข้อนั้นเธอก็พิงละความพอใจและวตกอนอาศัยเรือนซะ นะตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเขาด่าพิสุณีต่อหน้าเธอเธอไม่ต้องเสียใจเธอไม่ต้องโกรธเลยตอนนี้เขบอกถ้าเขาตีพิสุนีต่อหน้าเธอเธอก็ไม่ต้องเสียใจยไม่ต้องโกรธอีกเหมือนกันในข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปวนจากไม่เปล่งวาจาชั่วจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์อยู่และจากเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะ ฉะนของเราทั้งหลายถ้าใครด่าพวกเรานะเราไม่ต้องโกรธหรอกนไหถ้าคุนะเพราะฉะนั้นถ้าใครใครตีเตียนตัวเธอเองต่อหน้าเธอตอนแรกนะตอนถ้าคนหนึ่งก็ติเตียนพวกเรานะอย่าไปโกรธเขานะถ้าเขาตีก็ไม่ต้องโกรธเขานะเสร็จแล้วตอนหลังบอกถ้ามีใครมาตีเตียนเธอแหละตีเตียนต่อหน้าเลยนะว่ากันตรงก ต, ต่อหน้าเลยแหละ แม้ในข้อนี้เธอพึงละความพอใจและวิตกอันอาศัยเรือนเสียพระคุณะแม้ในข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปรวนและเราจากไม่เปล่งวาจาชั่วจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์อยู่และจะเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะภายในเธอพึงศึกษาอย่างนี้และพระคุณะเพราะฉะนั้นถ้าใครใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ ด้วยสาราภคุณนะแม้ในข้อนั้นเธอพึงละความพอใจละวิตกันอาศัยเรือนเสียแม้ในข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปรวนและเราจะไม่เปล่งวาจาที่ชั่วจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์จกเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะภายในภคุณนะเธอเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละอั น, นให้ทําความศึกษาเลยนะปกตินี้เขาเคยได้ยินไหมเราบอกว่า ถ้าถ้าชอบชั้นเนี่ยต้องชอบสุนัขชั้นด้วยใช่ไหมไปได้ยินไหมอ่ า, ารักชั้นต้องรักหมาชั้นด้วยเงี้ยนะทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าถ้าไปตีหมาล่ะโหเปิดศัตรูกันนะเขาบอกว่าคนเนี่ยบางคนนะ่เชื่อไหมถ้าเขาด่าตัวเองเนี่ยทนได้แต่ไปด่าคนที่เราชอบไม่ได้นะหมเขาตีตัวเองนะบางคนเนี่ยทนได้แต่ว่าไปตีลูกตีเมียตีอะไรสักคนพวกเขานะเฮ้ยเรื่องใหญ่โตเลยนะ มันอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันบางคนเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลที่เราเข้าไปพอใจเข้าไปติดข้องเนี่ยถ้าหากว่าเขาด่าสองด่าเขาว่าคนที่เราชอบใจต่อหน้าเราเนี่ยต่อหน้าเราก็เราก็ให้ไม่โกรธให้ไม่ขัดใจให้ไม่มีโท่สาให้ตัดชั้นทราคาอันอาศัยเรือนเซียเนไนะแล้วก็แม้กระทั่งที่ถูกคนอื่นเขาต่อว่าเราหรือเขาตีเราเป็นต้นเราก็ต้องไม่โกรธเขาเห็นไหมไม่โกรธเค้า สรุปหัวข้อที่พูดไปมีกี่หัวข้อสี่หัวข้อแล้วนะสี่หัวข้อหนึ่งติเตียนคนที่เรารักต่อหน้าเราบอกให้ตัดชั้นธราค่าอาศัยเรือนแล้วก็ไม่ต้องโกรธให้มีเมตตาเข้าไว้ข้อสองด่าทหารทุกตีคนที่เรารักต่อหน้าเราเ็ราเราก็ไม่ต้องโกรธอันนี้ข้อสามเขาตีเตียนตัวเราข้อสี่ เขาด่าเขาเอ่อเขาตีเขาประหารตัวเราเองเนี่ยนะอันนี้พระองค์ ก, ก็ทำให้ศึกษาว่าต้องไม่โกรธเนี่ยนะก็เขาบางคนนี่ยังไม่ทันตีเลยเพียงแต่เขาเขามองตาแบบบางอย่างแค่นั้นแหละโกรธแล้วแสดงว่าไม่ไม่เอาตามคําสอนพระพุทธเจ้านฮเพราะฉะนั้นเขามองเราด้วยสายตาโรสาบ้างเราก็แต่ดีแล้วเขาต่อว่า เขาตอว่าอาดีตเขาตีอย่างเงี้ยนะเขาคิดอย่างงี้ยกันแล้กันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งพวกภิกษุได้ทําจิตของเราให้ยินดีเป็นอันมากคือพอปัญหาในวัดมันวุ่นวายมากนะวัดเชตาวันอะ่ะกรณีพระโมริยะพระคุณะกับภิกษุณีที่มันเรื่องราวเกิดในวัดเนี่ยพระองค์ก็หวนลึกถึงพระภิกษุในอดีตในอดีตสมัยต้นๆ้นพุทธกาลเนี่ยนะ พระพิสูุเหล่านั้นมีแต่มักน้อยสันโดษไม่คุกคลีปาลาริ่ความเทียนสงัดริเวกอนนะครับอดดรงมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในทุตลงคุนไปต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้หลีกเร่นนะนะดำเพนจิต ก, กสิขาดำเพนประโยชน์ตนอยู่แต่มาตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันวุ่นวายเป็นทั้งวัดไปหมดเลยนะท่าประชาพระ้ิสูจนพิสูจนีเยอนี่อย่างว่านักทหารหทั้งหลายที่ท่านมีคุณธรรมท่านก็จาริกใส่ที่อื่นกันเกือบหมดละ ก็เหลือแต่พวกเนะี่ยพวกก่อความวุ่นวายเนี่ยเลยเต้นไปหมดเลยนะต้ของมายังนึกเลยนะถ้าเรามีวัดในะเทศกาลแบบนี้เกิดขึ้นในะทางไหนแล้วเนี่ยใสนะ เ, เป็นผู้บริหารจะเขาไม่ได้หรอกทีนี้พวกองก็บอกว่าดูความที่สูตรทั้งหลายเราขอเตือนที่สูตรทั้งหลายไว้ในที่นี้ต้องเตือนเลยนะบอกว่านี่คือคำเตือนเตือนว่างไงเตือนว่า ภิสูุทั้งหลายเราฉันอาหารหนเดียวเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู่แลรู้สึกว่าเมียพาดน้อยลำบากกายน้อยเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุขภิสูุทั้งหลายถึงพวกเดินไปฉันอาหารหนเดียวเธอแม้พวกเธอฉันอาหารหนเดียวก็จะรู้สึกว่าเพียงน้อยลำบากกายน้อยเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุขนะะ พิสษุทั้งหลายเราไม่ต้องข่าสอนพิสูจเหล่านั้นมีกิจแต่ทําสติให้เกิดในพิสูุเหล่านั้นเท่านั้นพิสูจนสมัยนั้นเนี่ยนะไม่ต้องบอกไม่ต้องคือหมายว่าไม่ต้องเข้าไปจ้ำจี้จ้ำชัยเพียงแต่ว่าอะไรสกิดสกิดหน่อยๆก็ก็รู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในม้าที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วก็เดินที่เรียบหรือเดินไป ต, ตามหนทางใหญ่สีแพร่งไม่ต้องใช้แส้ เพียงแต่นายสารธีผู้ฝึกขับที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วยมือซ้ายจับเส้นด้วยมือขวาแล้วก็เตือนให้ม้าวิ่งไปตรงๆบ้างทั้งเลี้ยวกลับไปตามความปรารถนาบ้างฉันใดภิกษุทั้งหลายเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายเนืองๆฉันนั้นเหมือนกันมีแต่กิจที่ที่จะกระทําการทําสติให้เกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นนะก็เพียงแต่ว่าให้ระลึกว่าอะไรเป็นอะไร เท่านั้นแหละไม่ต้องไปเที่ยวสอนโอวาทพูดมากอะไรพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนป่าไม้สาระในป่าใหญ่ป่าสาระนะใกล้บ้านหรือนิคมและป่า น, นั้นปกคลุมไปด้วยต้นละหงชายรายๆ่ึงหวังดีหวังประโยชน์และหวังความปลอดความปลอดภัยของต้นสาระนั้นเขาจึงตัดต้นรังต้นเล็กๆที่ค้ที่ต้นละหงคอยแย่งโอชาอันนําไปทิ้งเสียภายนอก เท้าถางภายในป่าให้สะาดเรียบร้อยคอยบำรุงรักษาต้นรังเล็กๆที่ขึ้นตรงที่ขึ้นตรงและก็แข็งแรงไว้แข็งแรงดีไว้โดยชอบพิกษุทั้งหลายด้วยการกระทําดังที่กล่าวมานี้สมัยต่อมาป่ารังนั้นก็เจริญ ง, งอกงามไพยบู์โดยลำดับชั้นใดพิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอก็จงละกุศลธรรมเสียจงภาคเพียรอยู่แต่ในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเถิด อันนะั้เปรียบเหมือนอะไรบำดุงบำรุงตา่าไม้สาราบางทีนะัถ้าโดยสัตว์เนี่ยก็แปลว่าไม้แก่นนะก็ถ้าจะรักษาไม้แก่นนี่ต้องทํำยังไงบ้างก็ถางไอ้วัชพืชในบริเวณนั้นให้ออกไม้ทันเดียวกันนี่ถ้าต้นไหนคดต้นไหนไม่ดีเอาออกให้หมดเลยแล้วก็ดูแลใส่ปุย๋ยรดน้ำให้มันดีถามว่าต่านั้นจะบริบูรณ์ด้วยต่าไม้แก่นโดยใช่ไหมบอกใช่ฉันใด นี่ก็เหมือนกันแม้พวกเธอก็จงละอักกุศลธรรมเสียภาพเพียรในการเจริญกุศลฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเธอก็จักเจริญงอกงามไภบูนในธรรมวินัยนี้โดยทายเดียวถ้าปฏิบัติได้อย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะอุปมาเหมือนคนบารุงป่าบํารุงป่าไม้สาระเนี่ยก็จักบริบูรณ์ด้วยป่าไม้สาระใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าบํารุงอักกุศลธรรมอย่างนั้นโดยการถอนอักุศลธรรมออกไปเรื่อยๆ เธอทั้งหลายก็จะเจริญงอกงามไพบูรณ์ในศาสนานี้ใช่ไหมก็บอกว่าใช่อย่างนั้นแหละพระเจ้าค่าเหมืงั้นเพราะฉะนั้ น, น, นพวกเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เถิดเหมือ น, นให้ศึกษาเลยนะว่าเราเนี่ยจะต้องละอกุศลธรรมแล้วก็เจริญขุศลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแลว้วที่ตรุงสาวัตถีนี่แหละมีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าเวเทหิกานางเวเทหิกาเนี่ยนะ เกียรติศักด์อันงามของแม่บ้านเวเทฮิกาขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม่บ้านเวเทหิกานี่เป็นคนสงี่ยมเจียมตนยอกเย็นโอ้ยคนใจดีจริงๆเลยใจดีใจดีสงบสงี่ยมเรียบร้อยใจเยื่นยิ้มรื่นเนี่ยนะเนี่ยนะเพชื่อเสียงนี่ดังมากเลยว่าคนดีคนใจดีคนมีเมตตาที่สุดทั้งหลายก็แม่บ้านเวเทฮิกานี่มีทาสีชื่อว่ากาลีานะเก็สแสดงว่า คนธาตคนดำอ่ะนะกาลีแปลว่าคนดําเนี่ยคนมีธาตคนหนึ่งตัวดําเหมือนแต่ว่าเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานดีสมัยต่อมานางกาลีได้คิดอย่างนี้ว่าเกียรติศักด์อันงามของนายหญิงของเรานี่ยกระจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม่บ้านเวเทหิกาเป็นคนสงบสงี่มเจียมตนเยือกเย็นดังนี้นายหญิงของเราเนี่ยไม่ทําความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือว่าไม่มีความโกรธอยู่เลย หมายถึงว่ามันเป็นอะไรนะเป็นกลางสดา ا ที่ไม่มีใครเคาะหรือว่ากลังสดา ا ن หูขาดอะไรนะกเคยเคยใครเคยรู้จักกลางสดา ا ن มั้งไปยกมือขึ้นใครรู้จักกลางสดา ا ن มั้งระคังวงเดือนกลางสดา ا คืออะไรคือระคังวงเดือนระคังวงเดือนเนี่นะถ้าตัดตีกออกซะถ้าตัดตีกออกหรือตัดเชือกแขวนหน้าไปวางไว้บนดินนะเคาะไปเออไม่ต้องมีดังกันแล้วนี่ก็เหมือนกันว่า มันเป็นประเภทกลางสดานดีหรือว่ากลางสดานดุนน้นเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่โกรธเพราะไม่ได้ปัจจัยหรือว่าหรือว่าไม่โกรธจริงๆเป็นคนมีเมตตาจริงๆนะคนพาดนี่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคนกลุ่มไหนนะหรือว่าเราทํางานดีมากเลยนายไม่มีปฏิฆานิมิตนะก็คือไอ้ที่เขาไม่โกรธเพราะไม่มีปฏิฆานิมิตหรือว่าเป็นคนมีเมตตาจริงๆก็เลยสงสัยเหมือนกัน เลยนะเก่งมากเลยนะครับธาตุมีปัญญามากธาตที่มีปัญญามากนะรู้เลยว่านายเนี่ยเป็นยังไงนะก็อยู่ด้วยกันมานานนะนะมองออกว่าเสร็จแล้วก็คิดว่า <c oughs> ต่อมานายกาลีก็มาคิดอย่างนี้ขึ้นนะว่านายหญิงของเราเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่ว่านายหญิงของเราเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนไม่โกรธเพราะฉะนั้นเราจะต้องทดลองนายหญิงดูออแผนของข้าก็ได้เกิดขึ้นเพื่อจะทดลองเจ้านายวันรุ่งขึ้นนางกาลีก็แซงทำเป็นลุกขึ้นสาย น, น้ำไม่ตั้งนาฬิกาเปลือกเลยนะเตือนสายแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละพริกสู่ทางหลาย แม่บะฝ่ายแม่บ้านเวเทฮิกาก็เลตวาดนางกาลีทาสีว่าเฮ้ยอีกาลีคนใช้นะนางกาลีก็รับค่าว่าอะไรเจ้าค้ายืนสบายเลยนะตอบแบบชฉยเยเนี่ยนะสบายสบายเนี่ยเฮ้ยทำไมเองมันลุกขึ้นสายยังไวก่อนี้โดยโทรศัพท์นะก็บอกไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่าแม่นายก็อยากนอนสาเล่ น, เ ล, นเล่นสักวันหนึ่งนะ้ยคล้ายอย่างนะี้ ก็เลยตะหวาดว่าอีคนชั่วร้ายก็เมื่อเมื่มเต็นใดทําไมเองจึงลุกขึ้นจนสายดังนี้ก็โกรธขัดใจหน้านิ้วคิ้วขโมดหน้านิ้วคิ้วขโมดเลยนะคิ้วคิ้วเนี่ยมันชนกันหมดเลยนะเคลดเลยว่นนั่นอนะไรแสดงว่าที่ไม่โกรธ เ, เพราะไม่ได้ปัดใจนะเพอได้ปัดใจแย่เขาไปหน่อยเนี่เอาละคิ้วชนกันและที่สูดทั้งหลายทีนั้นนากาลีทาสีจึงคิดว่านาหญิงของเราเนี่ย ไม่ทําความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีความโกรธที่ไม่ทําความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่นายเราไม่มีความโกรธอย่ากอนนั้นเลยเราจะต้องทดลองนายหญิงให้เครื่องไตอีก น, น, นะนะก็บอกว่าพิสูจน์วันนี้ครั้งเดียวนี่ยังไม่รู้จริงว่าจริงแค่ไหนนะเดี๋ยววันหลังลองใหม่ทีนี้วันถัดจากวันนั้นมานาก า, าลี ทาสีก็ลุกขึ้นสายกว่าวันนั้นอีกยัตื่ น, นกปกติเขาตื่นตีห้าใช่ไหมนี่ไพร่ไปตื่นเก้าโมงสิบโมงเนี่ยทางนั้นแม่บ้านเวเทฮิกาก็ตะวาดนางกาลีทาสีว่าเฮ้ยอีกาลีอะไรเจ้าข้าไม่นาย <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมจึงตื่นสายวะไม่เป็นอะไรดอกเจ้าข่าอยากอยากจะหลับสบายๆ ส, ส, สักวันหนึ่งยง นางนางกาลีก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยอีตัวร้าย <ST PS> ก็เม <ST PS> ื <"G> ่อไม่เป็นอะไรทําไมเองจึงนอนตื่นสายเราดังนี้ก็เลยโกรธใจแปรเสียงดังลั่นขัดใจหมดเลยนะตวาดดางังเต็มบ้านไปหมดที่สูงทั้งหลายที่นั้นนางกาลีทาสีจึงคิดว่านายหญิงของเราเนี่ยไม่ทําความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏไม่ใช่ไม่มีความโกรธไม่ทําความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะว่าเราเนี่ยจัดการงานทั้งหลายได้เรียบร้อยดี ไม่ใช่ไม่มีความโกรธนะแผนที่สามก็มาใหม่แบบเออเราจะต้องชอบรอให้มันยิ่งขึ้นกว่า น, นี้นะจะได้รู้ชัดว่าเอ๊ยยังไงกันแน่นายเราเนี่ยนะก็เลยตั้งกันนั้นมาลุกขึ้นสายกว่าวันเดิมอีกโน่นเราจะตืต่นเอาบ่ายโมงเนี้ยไหฝายแม่บ้านเวเทฮิกาคนมาก็ร้องตบตากร า, า ด, กาดกโกรธจัดแล้วก็คว้าลืมประตูตาศีรษเข้าไปเลยไหนะ ไม้จะทำลายศีรษะของนางทาสีให้แตกที่สูงทั้งหลายคราวนั้นนางกาลีทาสีศีรษะแตกโลหิตไหลโสมเที่ยวโพนธนาแก่คนบ้านใกล้เรื่องเคียงว่าพ่อแม่ทั้งหลายเชิญดูการกระทำของคนสงบเสงเี่ยมเตรียมตัวเยือกเย็นเอาเองเถิดทำไมจึงทำแก่ทาสีคนเดียวอย่างนี้ได้เล่าเพราะความโกรธว่านอนตื่นสายจึงคว้าลิ้มประตูตาศีรษะด้วยไม้จะทำลายหัวข้าดังนี้ ีิสู่ทั้งหลายต่อแต่นั้นมากิติศัพท์อันชั่วช้าของแม่บ้านกาลีอาของแม่บ้านเวเทฮิกาก็ขจรว่าแม่เรือนเวเทฮิกาเป็นคนดุร้ายไม่เจียมตัวไม่เยือกเย็นอันนี้อ่บจริงๆแล้วเรื่องจริงอ่ะนะแต่ว่าที่พงมาเอามาตรัดเนี่เพราะต้องการจะต้องการจะอะไรต้องการจะอุปมาเดี๋ยวถอดแว่นก่อน ทำไมมันเมื่อคมึ้มไปหมดเลยอันนอุเรื่องที่ยกตัวอย่างแม่บ้านเวเทฮิกามาเพื่อพระองคจะสอนอะไรปองก็สอนว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นอันนี้เรียกว่าอะไรนะกลับมหาพรา้าแล้วเป็นคนเสงี่ยมจัด เป็นคนเจียมตัวจัดเป็นคนเยือกเย็นจัดก็เพราะเพียงชั่วเวลาที่ยังไม่ได้กระทบถ้อยคับอันไม่เป็นที่พอใจแม้ดูท่านสำรวมเลือเกินสุขุมลืมลุกเลือเกเอินเนี่ยนะจริงก็ไม่มีตัดใจแห่งโทสานั่นแหละนี่นนะแกล้งไม่แกล้งไม่ใต่บาตรก็ตามบานดูจะเป็ น, นยังไงก็บอกว่าที่สู่บางรูปก็ฉันนั้นเนี่ยนะที่ไม่โกรธ เหมือนกับว่าเป็นคนเย็นจัด ก, ก็ชั่วเวลาที่ยังไม่ได้กระทบกับถ้อยคํามันไม่เป็นที่พอใจเท่านั้นพี่สุทั้งหลายก็เมื่อใดเธอกระทบถ้อยคํามันไม่เป็นที่พอใจเข้าก็ยังเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวเยือกเย็อนอยู่ได้พี่สุทั้งหลายเมื่อ น, นั้นแหละควรทราบว่าเธอเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นคนเยือกเดียวกันอ่ะนะเย็นจริงๆอ่ะนะขณะดได้ปั จ, จัยก็ไม่ร้อนเนี่ยนะตอนนี้ก็แสดงว่ายเย็นจริงพี่สุทั้งหลาย เราไม่เรียกพิสุรูปที่เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุได้จีวรบินทบาทเสนาสนะขีฬานปัจจัยเพศศักยบริการว่าเป็นคนมกักว่าง่ายดูเหมือนสอนง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนอะไรนะอุปมาก็เหมือนกับลูกลูกจ้างอ่ะนะที่เงินเดือนก็ดีอะไรก็ดีเรียบร้อยหมดก็เลยเหมือนกับเป็นคนว่าง่ายเนี่ยนะก็คืออะไรนะหยอดน้ํามันตลอดเวลาเนี่ยนะ นี่ก็ลักษณะเดียวกันไม่ใช่ว่าโอเขาให้ปัจจัยสี่มากก็เลยดูเหมือนเป็นคนว่าง่ายข้อนั้นเขาเหตุไรเพราะพิสูรูปนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้จีวนบินพบาเสนาสนะและกีรานัปัจจัยเพศรรบริขารก็จะไม่เป็นคนว่าง่ายจะไม่ถึงความเป็นคนว่าง่ายได้นะพิสูรทั้งหลายอันหนึ่งพิสูรูปใดแลมาสักการะเคารพนบน้อมพระธรรมอยู่ เป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเราเรียกพิสูรูปนั้นว่าเป็นคนว่าง่ายถ้าว่าง่ายเพราะเคารพรมเนี่ยเออเชื่อว่าเป็นเป็นคนว่าง่ายจริงๆเพราะว่าง่ายเพราะเคารพรมเพราะฉะนั้นแหละพิสูรทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจกเป็นผู้สักการะเคารพนกน้อมพระธรรมจกเป็นผู้ว่าง่ายจกถึงความเป็นคนว่าง่ายเนี่ยให้ว่าง่ายเพราะเคารพรมนะ คารรทคือเราบ้างปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมเป็นต้นหรือว่าปริยัติปฏิบัติมรรคผลนิพพานนั่นแหละให้เคารพในธรรมทั้งหลายเหล่านี้อรกว่ากิโลอีกสี่สสี่ชั่วโมงอีกสี่ชั่วโมงโอเข่าวสารผิดไปหน่อยอันนะต่อไปว่า ดูการพิสูจน์ทั้งหลายทางแห่งถ้อยคําที่บุคคลอื่นจะกล่าวกับท่านมีอยู่หประการวิธีที่คนอื่นเขาพูดกับเราเนะี่ยสรุปโดยเนื้อหาสาระเวลาคนอื่นเขาใช้คํากับเราเป็นยังไงบ้างหนึ่งกล่าวโดยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรแม้ถ้าคุยกับเรามันต้องดูร่าซะบ้างอย่างเงี้ยหอะอันนี้ข้อแรกก่อนนะโดยกาละอันสมควรหรือไม่สมควรหนึ่งสองกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง นี่ถ้าพูดความจริงสโน่เราจะไม่โกรธเลยนะเนี่ยเหมือนกันนะนะก็เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแล้วกล่าวด้วยเท่คําอ่อนหวานหรือหยาบคายแหม่น่าจะพูดกับเราเพราะเพราะแบบนี้หน่อยทาไมต้องขึ้นเสียงอย่างนี้อย่างเงี้ยนะทำไมต้องขึ้นเสียงเป็นต้นเนี่ยนะก็ควรจะอะไรนะอ่อนหวานหรือหยาบคายกล่าวด้วยถ้ทยคําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์แหมมันน่าจะมีสาระอยู่ในนั้นบ้างเลยนะหรือว่ามีเมตตาจิตภ า, ายในหรือไม่มีเมตตาจิตภายในอันนี้เวลาคนอื่นเขาพูดกับเรานะ ทางแห่งถ้อยคำมีอยู่ห้าอย่างนี่แหละข้อแรกก่อนนะข้อแรกโดยเวลาเวลาเวลาสมควรหรือไม่สมควรสองเรื่องเรื่องเรื่องจริงหรือไม่จริงสามถ้อยคำว่าอ่อนหวานหรือหยาบคายสี่ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ห้ามีเมตตาหรือว่าไม่มีเมตตามันเวลาจะคนอื่นนึกคุยกับเราก็คุยอย่างนี้แหละนั่นนะ ถามว่าการ์ลาในแค่ไหนก็คือบางเรื่องนีะก็คืออะไรนะให้มันรู้เวลาเวลาเรื่องบางเรื่องเอาไว้คุยให้มันตรงเวลาหน่อยใช่ไหมให้มันถูกเวลาที่จะเหมาะสมที่จะคุยเรื่องนั้น น, นอ่ะนะอันนี้พ่อไม่เลือกเวลาพูดเลยอย่างเงี้ยอ อ, ออันนั้นไม่มีปัญหาหร อ, อกอันนี้ใช่ใช่ใช อันนี้หมายถึงว่าอย่าเราพูดถึงอะไรนะเหตุแห่งเหตุให้เราโกรธใช่ไหมเหตุให้เราโกรธนี่บางทีนะหมายถ้าไม่รออีกสักหน่อยอะไรเงี้ยงานกำลังยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยนะทำไมมาบอกเราตอนนี้ทำไมอย่างเงี้ยนะ่าเรียกว่าอะไรนะที่เราให้สนใจกับเวลาใช่ไหมน่าจะพูดเวลาหนึ่งนะทาไมมาพูดเร็วไปอะไรไปเนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อบุคคลจะกล่าวโดยกาละอันสมควรหรือไม่ก็ตาม จะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามจะกล่าวด้วยเท่าคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกล่าวด้วยเท่าคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามจะมีเมตตาจิตหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามแม้ในข้อนี้พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราเนี่ยจกไม่แปรปรวนนะคือใครจะคุยกับเราย่งไรก็ทั้งเถอะใจของเราจะต้องไม่แปรปรวน ใจของเราจะต้องไม่มีโทสะในภายใน